อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินทุวณิกนนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ ทรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเช้าวันอาทิตย์วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมค่ะอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะคะวันนี้เป็นวันแรมสิบสามค เดือนห้าค่ะพอเข้าถึงเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายหลายท่านทีเดียคะที่เป็นแฟนของกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสถานีวิวทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสิบเอ็ดหรือ NBT เนี่ยคะ่ะก็คงจะได้ทราบจากสปอตที่เราออกอากาศนะคะว่าใกล้ถึงวาระครบครอ บ, รบวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์กันแล้วค่ะ ซึ่งเราก็จะเริ่มที่จะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่สองพฤษภาคมเป็นวันจันทร์นั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่จ ะ, ะเชื่อมความรักความสามัคคีเป็นการแข่งกีฬาภายในของกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วในวันที่สามซึ่งเป็นวันครบครอบเจ็ดสิบปดปีของวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยก็จะเรียนเชิญชวนท่าน พี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหลอนงานราชการต่างๆตามประเพณีก็จ ะ, ะเดินทางมาวอวยพรมอบกระเช้าอะไรต่างๆนะคะแต่ปีนี้คิดว่าหลายท่านคงจะได้รับทราบจากการให้สัมภาษณ์ของ ได้ตั้งต่ท่านทิ่ดีลงมานะค ะ, ะแล้วก็รองอทิบดีทั้งสามคนนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะว่าในปีนี้เราของดกระเช้าอะไรต่างๆค่ะแต่ว่าเราอยากจะขอความกรุณาท่านนะคะท่านมีไมตรีจิตต่อกุมปรสัมพันธ์นนก็ขอให้บริจาคเงินแทนค่ะ โดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยนะคะมารับเงินบริจาคของท่านก็จะนาเข้าสมทบกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ ซึ่งเงินก้อนนี้นะคะหรือว่ากองทุนนี้ของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นแน่นอนว่าเป็นส่วนเงินนะคะที่จะนำไปถึงมือพี่น้องประชาชนในภูมิภาคภาคใต้ของเราค่ะซึ่งคิดว่าทุกท่านทราบดีนะคะว่าได้ประสบอุทกภยัยดินถลม่มมีพายุอะไรต่างๆมากมายก็เราช่วยเหลื อ, อเพื่อนชาวญี่ปุ่นมามากนะคะตอนนี้พอถึงคราวถึงชาวไทยเราก็ต้อง รวมใจกันนะคะให้เป็นหนึ่งเดียวช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเราและที่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของชายชายแดนนะคะทางด้านของขเขมรอันนั้นเนี่ยก็เงินพวกนี้แหละค่ะ จะนําปิสู่พี่น้องประชาชนของเราในการที่จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูนฟนฟนทั้งจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ด้วยนะคะค่ะก็เกินมาเกี่ยวกับเรื่องของกรมสยาวเลยนะคะเราพบกันเช้าวันนี้เป็นรายการธรรมารับอรุณค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ตามฟังตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้นะคะที่ได้ยินได้สากัะชาหรือว่าสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโ ล, ลูกศิษย์เอกของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกเตอร์สะอาดทิโูพาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศก อ, อหนองหารจังหวดอุดรธานีคงจะทราบแล้วแล้วว่าเรียนเกินว่าเมื่อวานเราคุยกับ ทางพระจารย์นะคะว่าคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ยืนยันกันไปแล้วว่าคิดว่าท่านผู้ฟัง 99.99% เ99ชื่อตามนี้เลยนะคะไม่อย่างนั้น <c oughs> พุทธศาสนาของเราคงจะไม่ดํารงคงอยู่มาอาย่างที่พระจันทรย์ไพบูลได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อวานนี้นะคะว่านับตั้งแต่ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสโลมานั้นในพุทธศาสนาของเราดํารงมาอยู่แล้วถึง 2,600 ปีซึ่งก็จะครบรอบในวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้นะคะวันนี้จะ กราบนมัสการพระอาจารย์ภิบุตอภิปุนโนได้พูดคุยให้ฟังถึงเรื่องของสัมมาวาจาเครื่องมือของมารและวิธีแก้สี่ประการนะคะซึ่งเราก็จะได้พูดคุยกับพระอาจารย์เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนั้นจะมีการตอบปัญหาให้กับท่านฟังท่านหนึ่งที่ได้เขียนเข้ามาในรายการนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พิบุตอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขะได้จริชพานเจ้าขา ที่คุณเตือนใจได้ฟุ้งเมื่อสักครู่นี้ว่าเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าเปอร์ซนเลยนะค่ะหย่งเชื่ออย่างนั้นเจ้าค่ะย่งเชื่ออย่างนั้นเจ้าคือคื อ, ค อ, ค อ, คอต้องทำกาข้าใจว่าพิทักษเชื่อเพราะว่าครับมาพูดเนี่ยนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคาดการณแต่ให้ตรวจสอบประเด็นคือให้มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าคุณตรวจสอบแล้วว่าทําแล้วมันได้ผลจริงให้เชื่อจ้าให้ทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราตรวจสอบนะเรามาทําการตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วคุณเชื่อได้ร้อยเปอร์เ็น ร้อยเปร์เซ็เลยเจ้าค่ ะ, ะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องสมาวาจชาคุณเตือนใจได้พูดถึงเรื่องที่อการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลืออพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้หรือว่าผู้ที่ได้ประสบภัยนะเนาะเจ้าค่ะทั้งที่ทั้งที่ขเขมรด้วยทั้งที่สุรินด้วยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นคําสอนพระพุชธอ่้นะว่าถ้ามีเวลาที่บ้านเมืองเดือดร้อนเนี่ยเราก็บริจาคทรัพย์ช่วยชาติ อันนี้เป็นการใช้จ่ายทรัพยบฐานที่สามนะที่เราควรจะแต่งจ่ายๆๆใช้สายทรัพยบเพราะฉะนั้นการทํารตรงนี้เนี่ยเป็นทางแมงบุญแน่นอ น, นไม่ว่าผู้รับเนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่ขนาดว่าเศษน้ําล้างหม้อเนี่ยเทลงไปให้ตัวอะไรที่มันอยู่ในน้ําต้มเนี่ยเพื่อหวังว่ามันจะได้กินให้มีชีวิตรอดเนี่ยอันนี้ยังเป็นทางแหมงบุญอ<ช>แต่ถ้า<ช>เราทําให้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งเป็นทางแ่งบุญที่ดีขึ้นไปงั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่งฟันจ่ายทซั์ เพื่อกูนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะ อย่างนั้นก็แสดงว่าที่ท่านอาทิตดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ชาวกรมประชาสัมพันธ์เราได้เรียนท่านผู้มีจิตไม่ตากับเรานะเจ้าค่ะว่าตรงนี้งดกระเช้าวงด ข, ของขวัญทั้งหมดเลยแต่ขอให้มาช่วยกันบริจาคเพื่อที่จะเข้ากองทุนของทางสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีนะเจ้าคะ่ะอันนี้คงจะเป็นผลบุญที่ทําให้กรมประชาสัมพันธ์เราอแล้วก็ข้าราชการทุกคนนี้มีแต่ความสุขความเจริญใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใ่แล้วก็ตรงเรื่องที่สมมติ เอากระเช้าดอกไม้มาให้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นการบูชาการเกื้อกูลกันอย่างหนึ่งการเป็นการบูชาด้วยของหอมอย่างเงี้ยนะะก็ได้ทีนี้ว่ า, าเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพรูชาก็ยังบอกว่าถ้าทําแล้วเนี่ยอประโยชน์เกิดจากเขาไม่เดียดเรียนเขาไม่เบียดเบีนเราไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ดีแล้วคือแทนที่เปลี่ยนจากดอกไม้เป็นเงินที่เอาไปช่วยเหลือก็ได้เนยก็จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแน่ตัวเราผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ แทนที่จะเอาดอกไม้มาดูเฉยเฉยก็ยังได้สสารนธุ์รูปภคอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เขาอันนี้ดีแหลดีแน่นอนเจ้าค่ะสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธัจนะอยู่แล้วไม่ําได้อยู่แล้วสาธุเจ้าค่ะตันนี้มาพูดถึงสัมมาวาจาเลยเจ้าค่ะว่ามันเป็นเครื่องมือของมารและก็วิธีแก้สี่ประการอันนี้สัมมาวาจามันเป็นเครื่องมือของมารยังไงเจ้าค่ะค้าพเจ้เจ้าค่ะก็ก็คือต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าในสมัยพุทกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟัง นะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ก่อนสมัยพุทธกาลมีครั้งหนึ่งที่เมืองสาวัตถีเนี่ยก็าเขาให้เอาพวกคนตาบอดจับเอาเรียกคนตาบอดแต่กําเนิดมาใ่ไหมมีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยให้เรียกคนตาบอดแต่กําเนิดมาทั้งหมดแนะก็แบ่งคนตาบอดออกเป็นเจ็ดตกลุ่มนะแล้วก็ให้ข้าราชการของพระราชาองค์นั้นเนี่ยไปแสดงช้างให้คนตาบอดดูนะแสดงซึ่งช้างน ะ, ค, ค, ะคนตาบอดก็พวกหนึ่งก็ไปจับ หัวช้างแล้วเราก็บอกว่าอ่านี่แหละช้างพวกหนึ่งก็ไปจับขางช้างแล้วก็บอกว่านี่แหละช้างพวกหนึ่งก็ไปจับขาช้างแล้วก็บอกว่านี่แหละช้างแล้วพวกหนึ่งก็ไปจับทวงหางช้างนะงาช้างบ้างอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าพวกเนี้คือช้างทั้งหมดแล้วก็พอไปจับพวกส่วนต่างๆของช้างแล้วเนี่ยผุกคนตาบอดก็มารวมกันอยู่ที่หนึ่งพระราชาก็เลยเข้ามาถามบอกเอ้าวพ่อบอกทั้งหลายอ่ช้างเป็นยังไงให้ว่ามาเจ้าค่ะ พวกที่พวกที่จับหัวช้างนก็บอกว่าช้างเนี่ยเหมือนพ่อ่พวกที่จับขาช้างก็บอกช้างเหมือนเสาพวกที่จับพวงหางช้างก็บอกช้างเหมือนไม้กวาดฝั <ช espace S 2> <q> งคนก็ต <ช glimpse S 2> ่างบอกว่าช้างเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนอะไร ต, ตม า, ามที่เด้งสัมผัสมานะเจ้าคะใช่ตามที่เดงสัมผัสมาตามที่เดงรู้มาเนาะพอรู้มาแค่นั้นก็เลยความเห็นไม่ตรงกันแล้วทีนี้ พอความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ชกกันด่ากันเถียงกันบอกเฮ้ยไม่ใช่ช้างต้องเป็นอย่างงี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้นะช้างต้องเป็นอย่างนี้ ช, ช้า ง, ง, างไม่ใช่อย่างนั้ น, นด่ากันอยู่ทิมแทงกันด้วยกำปั้นนะปล่อยกันค่ ะ, ะพระเจ้ายกตัวอย่างเนี้ย ขึ้นมาเราก็บอกว่าเนี่ยพระราชานะโอ้ยก็มีความสําราญอย่างมากเห็นพวกคนดาว่าต่อยกันอืมเสียงกันว่าช้างเป็นอะไรรู้บากจริงๆนะเจ้าค่ะสํำราญบนความทุกข์ของคนอื่นเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เลยก็เลยเป็นตัวอย่างให้ภิกษุนะหรือว่าคนที่เป็นสาวของพระพุทเจ้าเนี่ยบอกว่าอย่าทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากหอกปากเนี่ยคือเวลาเราเรามีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้ถูกล้เรื่องอื่นผิดหมด ใช่ไห ม, ไหมเรื่องธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่อย่างนี้เ <Okay. S 2> นะี่ยเรื่องนี้ใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้นวิธีอื่นใช้ไม่ได้ <Okay. S 2> อีกคนหนึ่งก็บอกต้องใช้วิธีอื่นสิวิธีนี้อย่างเดียวไม่ได้ก็ท <Okay. S 2> ิมแทงกันด้วยหอกคือปากหอกปากแนี่คุณตื่นใจไหมครับหอกปากนี่ก็คือด่ากันว่ากันนะเป็นวิธีการที่เรียกว่าใช้ง่ายที่สุดละ่ะ <Okay. S 2> เป็นด่าเป็นมีดที่ใช้ง่ายที่สุดก็คือปากเท่านันเอง เพราะนั้นก็คือด่าด้วยวาจาที่หยาบคายร้ายกาดอันไม่ใช่วาจาของสัตว์บรุษเจ้าค่ะเนี่ยเป็นวาจาที่หยาบคายร้ายกาดประเภทว่าเอ่อเน่าหัวอยู่ที่ไหนก็ขุดขึ้นมาด่าหมดเจ้าค่ะเจ้าค่ะนะพวกนี้ก็คือเป็นมิจฉาวาจาเจ้าค่ะงานเป็นมิจฉาวาจาอย่างนี้เนี่ยแหละเป็นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทําเพราะฉะนั้นความเห็นอะไรที่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ย อ่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรามีความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามิชฉาวาจาตรงนี้จะเป็นเครื่องมือของมาร์ไงที่อาจามาพูดถึงว่ามารเนี่ยมันจะมันจะจ้องเอาช่องจากเราอะระพุทเจ้าเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินอยู่ที่ริมน้ําแล้วก็มีเต่าตัวหนึ่งก็หากินอยู่ที่ริมน้ําำเต่าตัวนั้นก็เห็นสุนัขจิ้งจอกเดินมาแต่ไกลใช่ไหม <Okay. S 2> ก็เลยรีบขดขาขดหัวของมันเข้าไปในกระดองปุ๊บเลยจ <Okay. S 2> ุนักทิ่งจอกก็เห็นเต่าตัวนั้นมาแต่ไกลก็รีบบิ่งปรีเข้าไปหมายว่าจะจะกัดจะกินเต่าตัวนี้ <Okay. S 2> ก็คอยช่องอยู่นะทั้งห้าช่องเนี่ยขอช่องในช่องหนึ่งเถอะถ้ามันโผล่หัวหรือโผล่ขาออกมาเนี่ยจะกัดตรงนั้นแล้วก็ฆ่าออกมากินออื mm hmm. จะดึงออกมากินะอพระรุจ <Okay. S 2> ้ า, ายกตัวอย่างนี้เปรียบเทียบกับว่าการที่มารเนี่ย มันเนี่ยจะเอาคอยช่องจากเรานะไม่ได้ช่องทางตาก็ทางหูไม่ทางหูก็ทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจะนะว่าจะให้เราเนี่ยเดินออกนอกมัดผิดศีลด่าคนอื่นพูดวาจาไม่ดีมันจะคอยช่องจากเราอยู่อืมออย่างเราดูทีวีอย่างเงี้ยดูทางตาใช่ไหมเพิ่เตินใจเห็นสิ่งไม่ดีเห็นคลิปวิดีโอที่เขาไปเต้นออร่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ด่าเลย ด่าถึงอ่าหัวของคนที่เต้นเนี่ยอยู่ที่ไหนเง่าหัวขุดออกมาด่าหมดเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะนั่นแะเราถูกมารเอาแล้วนะเพราะว่าวาจาของเราเป็นมิจฉาวาจาออกมาแล้วเจ้าค่ะของเหม็นๆเนี่ยออกมาจากปากเราละเจ้านะจค่ ะ, ะเป็นวาจาที่เป็นมิจฉาวาจาถ้าเราด่าเขาเราว่าเขาเนี่ยคุณเดินออกนอกมรรคคุณเดินเป็นคนผิดศีลด้วยนะอ่าเป็นคนเดินออกนอกมรรคทาสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนเจ้าค่ะเพราะนั่นเนี่ยเราถูกมาเนี่ยหลอกเข้าแล้ว ค่่ะอามาเนี่ยจะเอาช่องต่างๆของเราสมมติเราสำรวมจิตอยู่ได้เราอดทนได้นะไม่ด่าเข้าไปถึงแม้เขาจะทําสิ่งไม่ดีก็ตามนะคนเดินใจจ้าบางคนอาจจะบอกว่าโวยก็ไอ ค, คนนี้มันไม่ดีจริงๆอ่ะเว้ไว้สักคนนึงไม่ได้หรอขอดา่ <c oughs> เอาเจ้าค่ะมีนะเจ้าค่ะบางอย่างขอดา่าอะไรเชอะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามอยู่ดีใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่มีเลยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเดินออกนอกมรรคใช่ไหมมีมิจฉาวาจาเนี่ย ด่าเขาพูดเพ้อเชอร์พูดสอเสียดเอาความไม่ดีของคนอื่นมาเปิดเผยเนี่ยคุณเนเป็นคนไม่ดีอืมเจ้าค่ะอันนี้เป็นทักษะบุรุษใช่ไหมเจ้าค่ะกา่กระจายของคนไม่ดีอ่าเจ้าค่ะอ่าคนดีเนี่ยเขาจะเอาเรื่องดีๆของคนอื่นมาเปิดเผยเจ้าค่ะเวลาถูกถามเรื่องไม่ดีนะเรื่องไม่ดีของคนอื่นถึงแม้ถูกถามจังหน้าเลยนะเจ้าค่ะพูดนิดเดียวพูดนิดเดียวไม่ต้องไปขยายความนะเจ้าค่ะ ใช่พูดนิดเดียวค่ะถามจังหน้าจะไม่พูดนิดเดียวแต่ถ้าไม่ถามนะไม่ต้องพูดถึงเลยา่อแต่ความดีของคนอื่นนี่ถ้าไม่ถามไม่เอามาเปิดเผยแต่ถ้าถามถามจังหน้าถามในรายละเอียดยิ่งบอกตัวายละเอียดเลยอืมว่าความดีของเขามีอะไรบ้างแต่ไม่ต้องโอเวอร์เกินไปหรือว่า เขาเรียกว่าขยายความเกินกว่าเหตุแต่ให้บอกโดยรายละเอียดคือไม่ต้องตีไข่ใส่สีนะเจ้าค่ะไม่ต้องตีไข่ใส่สีเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงออย่างอย่างคนไม่ดีเขาจะทํำยังไงคนไม่ดีเนี่ยก็จะเอาความไม่ดีของคนดนมาเปิดเผยให้ปรากฏเจ้าค่ะยิ่งถ้าถูกถามนะโอ้โหใส่สีเต็มที่เป็นที่สนทนาแล้ว่ะ ลใส่ไข่ใส่น้ำเต็มที่อะไรแล้วก็พูดอย่างเต็มที่ไม่มีการ อ, าอ้อมค้อมใบเบี้ยอ่านี่คือคนไม่ดีเขาทากัน ค, คนไม่ดีเนี่ยนอกจากเขาจะเอาเรื่องไม่ดีคนอื่นมาพูดเนี่ยนะเรื่องดีๆของคนอื่นเขาไม่พูดกันอืมไม่ค่อยอยากจะพูดนะค่ะอ่าไม่ต้องพูด<ช> <ๆ S 2> ถึงแม้ถูกถามจังหน้าเลยว่าคนนี้เขาดียังไงเขาพูดนิดเดียวอืมจ้าอ่าคนไม่ดีเขาจะทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าคุณเน่ะ พอรับสื่อทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเนี่ยคุณทํำยังไงคุณเป็นคนดีหรือคุณคนเป็นคนไม่ดี<ช>ถ้าคุณ<ช>ตกไปอยู่ในแดงของคนไม่ดี<ช>นะ<ช>ก็แสดงว่าเป็นเครื่องมือของมารละอืมจ้ะค่ะมารได้ช่องละได้ช่องเข้ามาเลยนะคะได้เลยผ่านผัสสะของเราเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจถูกต้องอ่าเจ้าค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงให้เราทําการปิดกัน้นปิดกั้นอินทรีย์ เนะปิดกั้นปาหูจมูกลิ้ในใจของเราเนะีไม่ให้สิ่งที่เป็นอกติสนเนี่ยเข้ามาได้อืมจ้ะค่ะอ่าซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายให้ฟังว่าอ่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคุณเตืนใจเพราะว่าปากเราเนี่ยมันใช้ง่ายมากเจค่ะอ่าเป็นเป็นสื่อที่ใช้ได้ง่ายที่สุดอ่ะบางคนเขาเรียกปากไวนะเจ้าค่ะเห็นอะไรน <c oughs> ี่คือแบบทันจีเลยอะไรอย่างงี้นะอ่าใช่อันนี้ง่ายง่ายเรองจากคือมันมีเครื่องมือสามอย่างของมนุษย์ไง เรื่องของกายวาจาแล้วก็ใจใช่แต่คือใจเนี่ยไปก่อนรับแต่อย่างน้อยใจคิดไม่ดีหรือว่าใจคิดพยาบาทเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ในใจเราอ่ะถูกไหมยังไม่แสดงออกแต่สิ่งที่แสดงออกได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือเรื่องของวาจาเพราะฉะนั้นตรงวาจานี่แหละเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือคนไม่ดีอย่างเลยคือคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยมีการดูเครื่องหมายได้นะเครื่องหมายที่เขาจะทําเอาไว้ทิ้งเอาไว้เนี่ยก็คือดูที่กายที่วาจาที่ใจ ถ้าว <Okay. S 2> าจาเนี่ยเขาเป็นคนพูดวาชาที่สุจริตพูดวาจาดีมากๆเนี่ยให้รู้เลยว่าคนนี้เป็นคนดีเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างสื่ออย่างเงี้ยอ่อกาก็มาสัมพันธ์เป็นต้นอย่างเงี้ยนะเจ้าค <Okay. S 2> ่ะหมอพเรานําเสนอสิ่งที่ดีๆนะเน้นเรื่องความสามาัคคีเน้นเรื่องคุณธรรมศรลยธรรมเน้นเรื่องศิลธรรมเน้นเรื่องความกตัญญูเน้นเรื่องความครบนอบน้อมธรรมตน <Okay. S 2> อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเจ้าค <Okay. S 2> <ๆ>่นะอ่าสาธุเจ้าค่ะใครที่พูดเรื่องไม่ดีก็ ไปเข้าไปไม่เป็นไร <Okay. S 2> เราไม่ดา่าเราไม่โกรธแต่เราเอาําสิ่งที่ดีๆมาเสนออยู่เป็นประจําเ้ค่ะำอันนี้จะเป็นทําให้เราเป็นคนดีแอืะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้โ <But> ยมคิดว่า hmm. สิ่งที่พระอาจารย์ภัยบูญอภิปโนได้ได้อปุจฉามาตรงนี้นะเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงจะทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยหลายท่านทีเดียวเจ้าค่ะกําลังนึกแล้วว่าเอ๊ะต่อไปนี้นะเจ้าค่ะแม้แต่ตัวโยมเองเนี่ยถ้า hmm. หาว่ามีอะไรมาผัดสะอะไรมากระทบ ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะทางหนังสือพิมพ์ทางคนรอบข้างพูดคุยกันหลื อ, อะนะเจ้าคะอาจจะขอให้ช่วยนึกถึงธรรมของพระอาจารย์พบุรนพิปุโนแห่งวัดป่าดอนหไหโศกันแล้วแล้วเจ้าคะ่ะว่าเราจะยอมให้ตกเป็นเครื่องมือของมารไหมที่จะพูดหรือว่าทำแสดงอะไรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิออกไปนะเจ้าคะหรือมิจฉาวาจา ก็จะเดินออกไปนอกมาร์กนั่นแหละดังนั้นก็อันนี้ก็เรียกว่าจะต้องตื่นใจกันเลยนะเจ้าค้าว่าจะต้องระวังไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะใช่ใที้วิธีแก้สีประการามีอะไรอะเจ้าคะะ่ะอาจารย์เจ้าค่ะก่อนที่จะเข้าไปถึงวิธีแก้เนี่ย เ, าเราเอาตัวอย่างใกล้ตัวอนะอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าแม่เนี้ยอา่าได้ได้ยินเสียงกระจกแตกเฟ้งขึ้นมาเจ้าค่ะแต่ไม่เห็นหรอกว่ากระจกแตกไต่ยื่นเสียงเฟ้งเออเขาวิ่งมาแล้วก็ถามลูกว่าใครทํากระจกแตก ลูกบอกว่าผมเนี่ยแหละทํากระจกแตก <Okay. S 2> ด้วยท่าทางแบบจ่อยๆนิดหนึ <Okay. S 2> ่่งแม่เนี่ยแทนที่จะด่าลูกสาเสียเจี๋ยเสียเนี่ยควรจะต้องยิ่งอพูดดีๆกับเขาว่าแม้คนที่พูดจริงอยอมรับสิ่งที่ตัวเองทําผิดไม่โกหกนะลูกจะโกหกก็ได้นะเพราะว่าตัวแม่เองไม่เห็นว่าใครทาอาจจะบอกว่าแมวทําอาจจะบอกเพื่อนข้างบ้านทําก็ได้พูดยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำเพันนี้เป็นเป็นสัมมาวาจาแล้วเนี่ย แล้วถ้าเราด่าลูกเนี่ยโอ้โหเราเป็นคนไม่ดีจริงๆอืมจรองยิ่งไม่ควรทาเราต้องพูดดีๆกับเขา ใ, ให้ความอบอ้อมอารีความรักความเมตตาว่าดีแล้วลูกที่พูด ความจริงออกมายอมรับผิดนะเอาหลังก็ให้ระวังอาจจะตัดเงินค่าขนมงไงเราก็ต้องลงโทษเขาน ะ, ะเงินค่าขนมเพื่อที่จะเป็นค่ากระจกอะไรก็ว่าไปเพื่อให้เขาเป็นบทเรียนของเขาในการทําความดีและการทาความไม่ดีทํคาความดีก็ต้องได้รั บ, บรางวัลใช่ไหมทําความไม่ดีก็ต้องได้รับการลงโทษอย่างเนี้ยต่เรื่องใกล้ตัวมากมากเลยหรืออย่างคนรอบข้างเราจะเป็นสามีภรรยา หรือคนที่อยู่ไมใกล้ตัวเนี่ย <Okay. S 2> ยิ่งจะเป็นจุดที่ที่จะมาทดสอบว่าความอดทนของเรานะซึ่งซึ่งตรงนี้แหละทีะ่จะมาสู่ทางแก้ไขก็คือว่าที่พูดถึงว่าต้องปิดกันน้นอินทรีย์ก็คือเราต้องมีการสำรวจกายวาจาใจอยู่เสมอ <Okay. S 2> เพื่อที่จะไม่ให้อกุศลเนี่ยมันเข้ามา อักขุนส่วนเนี่ยคุณเกินใจมันจะเข้ามาก็ไม่ทางตาทางหูทางจมูทางลิ้นทางกายทางใจเทั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสํารวมอินทรีย์เนี่ยเราก็จะสบายใจเราได้โดยการข้อที่หนึ่งเลยแนวิธีแก้สี่อย่างก็คือให้มีความอดทนเจ้าค่ะอดทนเอาไว้ก่อนอดทนเอาไว้เแี่ยมีอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งผงผาออกไปแหมถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วฟังเรื่องนี้แล้วรู้เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันออืมันทนไม่ได้จริง แล้วนะก็ให้อดทนไว้ก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าป <ด S 2> เป็นลูกศิษย์ของอ่าหลักสูตรรืเว้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาของพระอาจารย์พยบูลกับหลวงพอ่อดรสะอาดนั่นเจคะต้องบอกว่าเราต้องกลับมาที่ลมหายใจเจ้าค่ะคือดึงสติกลับมาที่ลมหายใจเออเราจะได้มีเวลาที่จะนึกิดตรองนิดนึงเราจะได้มีปัญญาว่าเอะเราจะตอบโต้อย่างไงดีให้มันไม่ใช่เป็นไม่เฉาวาจาถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใชะแต่คุณเตือนใจข้ามไปข้อที่ห้าเลยนะดีแล้วดีล <c oughs> แล้วก็คือจริงๆแล้วถ้าอดทนไม่ไหวเนี่ยก็ให้ไปอย่าอย่าไปเบียดเบียนใครขั้นตอนที่สองก็คืออดทนทนท <c oughs> ะขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกคืออดทนขั้นตอนที่สองคือไม่เบียดเบียนนะขั้นตอนที่สามก็คือเม่ตาจิตอืมแล้วขั้นตอนที่สี่เนี่ยก็คือให้รักใคร่เอ็นดูนะจะทําจะทำสี่อย่างนี้ได้ก็คืออย่างที่คุณเติอนใจพูดนั่นแหละต้องมีสติ อยู่ในลมหายใจอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนี่ยคนจะอดทนได้คนจะไม่บิดเบียนคนอื่นได้ด้วยวาจาจะไม่ด่าเขาไม่ว่าเขามีพูดจาด้วยความรักความเมตตาเนี่ยคุณต้องมีสติจะมีสติได้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ลมหายใจ ใ, ให้ลมหายใจเป็นทางที่ตั้งของสติอ๋อเจ้ค่ะเจ้า่ะอืมอันนี้เราไม่ทราบมาก่อนเลยนะเจ้าค่ะเนี่ยแต่ว่าทำตามคําสอนอเช้า่ะใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเลยเแล้ว พ, พอพอเรามีสติ นะอยู่ในเขาเรียกว่ามารู้ลมหายใจเนี่ยรู้ลมหายใจนะนั้นมีนาทีนั้นในสิตของเรามีสติ <Okay. S 2> พอติตของเรามีสติแล้วเนี่ยอกุศลมันเข้าไม่ได้ละ <Okay. Okay. S 2> อืมใช่ค่ะอกุศลเข้าไม่ได้มันก็อยู่พื้นสายจิตของเราละ ว, ว่าเรา <Okay. S 2> จะเป็นคนอดทนจะเป็นคนมีเมตตาจเป็นคนไม่เบียดเบียนหรือจะว่ายังไงก็แล้วแต่ <Okay. S 2> อืมใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจิตคุณต้องมีสติใช่ค <Okay. S 2> ่ะตรนี้บางทีเรื่องที่มากระทบเนี่ยคุณตัดใจมันรุนแรงมาก อย่างเช่นว่าพี่น้องอหรือว่าคนที่เรารักมากๆเสียชีวิตไป <Okay. S 2> หรือว่า อ, อย่างเขาเรียกว่า <c oughs> มีญาติยมคนหนึ่งที่อยู่สุรินทร์นะนะ <Okay. S 2> เขาก็ฟังรายการธรรมารัปรุณนี่แหละปรากฏว่าช่วงนั้นมีสงครามบดีในที่เขเมรก็ <Okay. S 2> เลยตัวเองเนี่ยรีบไปลงชื่อเพื่อข อ, อเข้าพักหรือสิทธิที่พิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็น <Okay. S 2> ประชาชนคนไทยอ่นะแ <Okay. S 2> ในระหว่างที่ไปลงชื่อคุณเตือนใจปรากฏว่าลูกเนี่ยไม่ได้ดูลูก ผู้ก็ยังเด็กๆเนี่ยแล้วก็ลื่นตกน้ําไปอืนะลื่นตกน้ําไปทั้งสิบห้านาทีอุ่นสงสารเจ้าค่ะเราก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลนอนห้องไอซียูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็กระเทือนจิตของผู้เป็นแม่อย่างมากนะบางทีถึงแม้คนที่สุขจิตในดีเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็กระเทือนใจทําให้บางทีลืมหลมหายใจไปเจ้คาค่ะแลหน้าที่ของเราก็บางทีก็ ให้หายใจลึกๆสักสองถึงสามครั้งหายใจลึกๆคบอกเ้ายาวๆเนี่ยจะได้กลับมามีสติอยู่ได้นะให้ลองทำแบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดว่าสี่ประการนะเจ้าค่ะโยมอยากให้พระอาจารย์ขยายความให้ให้เยอะนิดนึงอย่างเจ่นหนึ่งอดทนสองอย่าเบียดเบียนสามเมตตาจิตแล้วก็สี่รักใคร่เอ็นดูเจ้าค่ะใช่ อันแรกก็คืออดทนเนี่ยหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าอดทนต่ออสิ่งที่อดทนได้ยาก <Okay. S 2> เช่นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายต่อเหลือบยุงลมแดดพวกนี้ mm hmm. หรืออดทนต่อวาจาที่หยาบคายร้ายกาะ อดทนให้ได้คือไม่โต้ตอบออกไปหรือไปด่าตอบกลับอะไรอย่างนี้ทันทีเลยใช่ไหมเจ้าค่ะคืออดทนมันเป็นอย่างนี้ว่ามันอาจจะยังมีอาการขึ้มขึ้นอยู่ในใจเจ้าค่ะเจ้ค่ะมันเหมือนมันร้อนอยู่ในใจแต่เราอดทนไหมอย่างเงี้ยนะดนี่คืออาการของอดทนอดกลั้นเจ้ค่ะแล้วก็อาจจะโกรธอยู่ในใจเลยขึ้นขึ้เต็มที่แล้วจะด่าละอแบบอดทนไปก่อนกดไปก่อนเจ๊ด่าเจค่ะจะหลุดแล้วแต่ว่าก็กดเอาไว้อย่างเงี้ยนี่คือผู้อดทน ใช่ค่ะอย่างคนอดทนต่อความร้อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเหงื่อเขาไม่แตกนะเหงื่อเขาแตกเป็มที่เลยร้อนจะตายแต่ก็ทนอยู่อย่างเงี้ยในลักษณะนั้นซึ่งจะเป็การเปลี่ยนเปลียนอ่าจากการเปลี่ยนเปลียนเนี่ยก็คือว่าเราจะทําอะไรเข้าไปเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าเปลี่ยนเปลียนคนอื่นอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนเจ้าค่ะสมมติเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราคิดดูดีๆก่อนนะว่าพูดแล้วเขาจะ แจะกระเทือนจิตเขา <tick. S 2> ้าไหมถ้าทําให้เขาไม่สบายใจเราก็ไม่พูด mm hmm. พอเราพิจารณาเห็นแล้วเนี่ยว่าเอ้ยเราโกรธนี่หว่าเราโกรธนี่นานโกรธนี่มันเดียดเรียนตัวเองนะ <Okay. S 2> เราอยากทำนะก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองแนะก็จะค่อยลึกซึ้งมาไป ล, <Okay. S 2> ละคนแล้วก็ขั้นตอนต่อปไปก็คือเมตตาจิตเนะมตตาจิตก็คือให้ตั้งจิตเนี่ยอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไป <Okay. S 2> แผ่ให้ตัวเองแผ่ให้บุคคล น, นั้น นะการแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาคือเราต้องตั้งจิตนะที่จะมีความรักความเมตตาแล้วก็แผ่ <Okay. S 2> ออกไปได้เค่ะ <Okay. S 2> แล้วอย่างสุดท้ายนะี่คือความรักใครลเอนดูนะคือเหมือนกับมารดาเนี่ยคลอดลูกออกมาใหม่ๆเนี่ยลูกตัวเองอยู่ในอ้อมอกเนี่ยจิตแบบนั้นนะ่ะคือจิตที่มีความรักใคลเอนดูค่ะ <Okay. S 2> คือมันไม่มันไม่ได้ต้องตั้งจิตเลยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเในว่าเรารักลูกของเราที่เพิ่งออกมาจากคันภ์สดๆร้อนๆอย่างเนี้ยเจค่ะ okay. งาลักษณะนั้น <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีทางแก้ของผู้ชาติเนี่ยละเอียดลงไปละเอียดลงไปใช่ค <Okay. S 2> ่ ะ, ะซึ่งก็ต้องใช้กำลังจิตที่มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือให้เรามีสติอยู่ในลมหายใจก็จะทำให้สามารถที่จะควบคุมจิตได้ไม่ไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ตกเป็นเครื่องมือของมารไม่ทำตามอำนาจสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลให้เป็นคนดีอยู่ได้มีสัมมาวาจา บ้านเมืเองราสามัค ก, กีแน่นอนคุณเดินใจเจ้าค่ะความสงบสุขจะมาทันทีเลยนะเจ้าค่ะใช่พี่น้องคนไทยเราทุกคนนั้นเนี่ย อ, อยู่กันด้วยรักษาศีลห้ามีสามาวาจาต่อกันและกันนะเจ้าค่ะใช่อย่างที่พระอาจารย์สอนมา แลคะยมยมหวังว่าในเช้าวันนี้คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านที่เดียวที่ได้เป็นแฟนรายการแล้วก็ตามรับฟังรายการธรรมาราปรุลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะเจ้าคะถ้าเผื่อยมก็หวังใจว่าด้วยกุศลผลบุญที่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายนะเจ้าคะที่รวมทั้ง ประสบนิกรชาวไทยเราที่ได้ทําถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโร ก, กาสมหามงคลหรือว่าแม้แต่ทําบุญทําทานทั่วไปเนี่ยจะช่วยให้บ้านเมืองของเราอ่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็เกิดความสงบสุขอย่างแท้จริงเจ้าคา่ะใช่ใสาธุสาธุเพราะฉะนั้นในตอนตอนสรุปนี้ก็คิดว่าเพราะฉนั้กผู้ฟังเนี่ย อ, อมีสติอยู่ในโลมหายใจตลอดเวลาเราให้ระลึกถึงคําสอนพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้เราเป็นคนดีขึ้นมาให้ได้เจ้าคา่ะ ก็จะทําให้บ้านเมืองเราเป็นสุขนะเจ้าค่ะูใต้ร่มแห่งอ่าพระพุทธศาสนาของเรานะเจ้าค่ะเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดแล้วเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้ตอบจดหมายของท่านหนึ่งที่เราเกลื่นไว้ตอนต้นรายการก็ไม่เป็นไรยกไปเสาหน้าดีไหมเจ้าค่ะคนนี้รมลจากอําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนี่เองก็ได้เขียนอ่าประเด็นมาเล็กน้อยนะเจ้าค่ะยมขออนุญาตยกไปอ เป็นสาวหน้าแล้วกันนะเจ้าคะ่ะสำหรับชาววันนี้ก็โยมและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็ขออนุ ญ, ญาตที่จะกราบนำ้ำสการท่าเท้าพระจานทร์ไปบูรณอภิปุโนที่ที่ได้เมตตามสาสักชาหรือแสดงธรรมในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของเ ร, เราท่านๆกันมากเหลือเกินจนกว่าจะได้กลับมา ก, บกราบน้ัสการแล้วก็สนทนาธรรมกับพระจานทร์ไปบูรณอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกในวันเสาวหน้านะคะ สรับวันนี้เรามากราบนมัสการลาพระอาจารย์พร้อมก e. ah ah ันเลยนะคะท่านผู้ฟังขากราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ชิดาสจนบอนชิดา่วยเจ้า่ะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพุนี้เวลา5้านาิกาถึงห้านาฬิกาสาสินาทีท่าพิธานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you.